ช่วงนี้ส่วนโมกตทะมจัดนิทรศการที่น่าสนใจนะจัดตั้งแต่ต้นเดือนนี้ไปถึงสิ้นเดือนนี้แต่ไม่ได้จัดที่ส่วนโมกตทะมอรือหอจุดหมายเหตุพธธตุทธทาสจัดที่หอสินกตทะมตรงสิยกประุมวันซึ่งเป็นย่านที่มีความพลุกพล่านมาก ทั้งรถทั้งคนพิธีศการนี้ชื่อว่าสติสเ e s ส, สเ c e เ, เป็นภาษาอังกฤษก็แปลว่าพื้นที่เป็นพื้นที่ที่ผู้คนจะได้กลับมามีสติมีความรู้สึกตัวเขาต้้งใจจะทดลองเพื่อที่จะเอาพิธีศการนี้ไปไปจัดตามสำนักงานต่างๆ ให้สํานักงานนี้ไม่ใช่เป็นที่ที่คนจะเอาแต่ทํางานแต่ให้กลับมามีสติหรือมาทํางานภายในด้วยไม่ใช่ทํางานแต่ภายนอกในที่ก็จะที่หอศิลกทมเท่าที่รับทราบมาเนี่ยมันก็จะมีส่วนหนึ่งนะ พื้นที่ส่วนหนึ่งที่ชวนให้คนจะกลับมาดูใจของตัวกลับมาสังเกตความรู้สึกของตัวเช่นมีข้อความเป็นตัวหนังสือตัวโต ๆ, ๆเนี่ยเหนื่อยไหมรู้สึกอย่างไรแล้วก็มีบางข้อความบอกว่าเนี่ยเวลาเธอ รู้สึกท้อเหนื่อยเธอเห็นอะไรบ้างก็เป็นคำถามนะที่ชวนให้คนที่มาชมนทศ ก, ก, การเนี่ยกลับมาดูใจของตัวเพราะบางคนไม่เคยสังเกตความรู้สึกของตัวเลยทำงานเหนื่อยชีวิตรุ่มร้อนจิตใจก็ รุ่มร้อนไปด้วยแต่ไม่เคยรับรู้หรือสังเกตความรู้สึกเหล่านี้เลยแต่ก็ถูกความทุกเนี่ยมันเผาล่นแล้อขับเคลื่อนผลักดันให้วิ่งไล่ตามความสุขหรือว่าวิ่งไล่ตามผู้คนทั้งที่เหนื่อยแล้วก็เหนื่อยอีก นอกจากพื้นที่นะที่ชวนให้คนกลับมาดูใจของตัวแล้วเนี่ย mm. ก็จะมีพื้นที่อีกส่วนหนึ่งนะเป็นการให้กำลังใจให้กำลังใจด้วยข้อความทำนองว่าเนี่ยอยู่ข้างเธอเสมอนะหรือว่าขอยรับรู้าถึงความรักที่ฉันมีให้เธอ หรือข้อความทำนองว่าเนี่ยรู้อยู่ว่าเธอเพยายามอยู่เสมอมีบางคนเนี่ยพอเห็นข้อความทำนองนี้แล้วเนี่ยบางทีถึงกับน้ำตารื้อเลยเนะเพราะว่าเหนื่อยท้อแต่พอมีข้อความให้กำลังใจก็รู้สึกดีขึ้นซาบซึ้ง ในความสึกอัดอั้นพอเจอข้อความทำนองนี้สะกิดเน่มก็ทำให้ร้องไห้ขึ้นมาได้นะอันนี้ก็ดูจากคลิปที่คนดูบางคนเขาเล่าความรู้สึกให้ฟังมันช่วยเ ย, ออยียวยาใจได้และก็น่าสนใจนะทั้งที่ ไม่ได้มีคนมาคุยออกับเขานะแต่เพียงแค่เห็นข้อความบางข้อความนี่ก็ทำให้เกิดความรู้สึกที่ซาบซึ้งประทับใจหรือมีกำลังใจได้ที่น่าสนใจอีกอันนี้คือมันมีพื้นที่นะอีกส่วนหนึ่งนะสาหรับให้เขียนความรู้สึกซึ่งคิดว่าสาคัญกันนะ เพราะว่าการที่คนเราเนี่ยได้เขียนความรู้สึกออกมาเนี่ยมันมันก็เป็นการช่วยระบายได้อย่างหนึง่งเวลาเห็นความรู้สึกท้อความรู้สึกเศร้าความรู้สึกคับแค้นแล้วจริงๆเพียงแค่เห็นนี่มันก็ช่วยได้เยอะเลยนะหรือว่าพอมีคนมาพอมีข้อความให้กลาลังใจเขาจะรู้สึกดีขึ้น สึกออกอุ่นใจแต่มันจะช่วยได้มากนะถ้าเกิดว่าได้เขียนเพราะมันเป็นการช่วยให้คลครควญความรู้สึกเพราคนเราเนี่ยการที่จะเปลี่ยนความรู้สึกให้กลายเป็นตัวอักษรเป็ น, น, เ, ปนเปลี่ยนจากความคิดเป็นความอ่านนี่มันมันก็ต้องผ่านกระบวนการไตรตรอง ระดับหนึ่งนะแล้วพอได้เขียนมันก็มันก็นกได้ระบายใกล้ๆตรงที่ให้เขียนระบายความรู้สึกเนี่ยมันก็จะมีโถส้วมนะโถส้วมเขียนเสรส็จก็เอากระดาษที่กระดาษฉีกนั่นแหละนะขยามทิ้งลงไปในโถส้วมเลยเพราะว่าโถส้วมมันก็มีคนอ่า ทิ้งนะทิ้งกระดาษทิ้งขยะนี่เยอะมากเลยแน่นอนนะกระดาษเอานั้นก็ล้นแต่เป็นข้อความที่มันรองรับความรู้สึกนะของผู้คนซึ่งก็เชื่อว่าคงจะช่วยคลี่คลายความรู้สึกของคนที่เขียนได้ไม่น้อยนะมีแต่คนนึงนะ อายุประมาณห้าขวบได้อนุบาลสามชื่อน้องอัพเนะี่ยมากับแม่ก็ไม่รู้ว่าตั้งใจมาหรือเปล่านะเพราะว่าเถ่านํามันก็มีศูนย์การค้าเยอะบางทีแม่ก็พาลูกมาเที่ยวศูนย์การค้าแล้วก็เออแว๊บก็ไปดูหอศิล์นหน่อยน้องอัพเนี่ยมาด้วยความทุกขนะ์โกรธแต่ว่าโกรธอะไรโกรธปลา ปลานี่คือปลาจริงๆนะไม่ใช่คนชื่อปลาเนี่ยทำไมถึงโกรธปลาเนี่ยเพราะเขาอาชเลี้ยงปลาแล้วน้องอัพ้ก็ไปซื้อปลามาไม่รู้กี่ตัวนะพรากว่าปลาที่ซื้อมาใหม่เนี่ยมันกินปลาเดิมเนี่ยจนหมดเลยน้องอัพเลยโกรธมากผู้จัดก็เลยให้น้องอัพเนี่ยเขียนนะเขียนข้อความความรู้สึกที่โกรธปลา เขียนเสร็จก็เขียนใส่กระดาษเสร็จก็ขยำลงในโถส้วมนะ้น้องอาก็บอกตอนที่หายโกรธปลาแล้วหายโกรธปลาแล้วโกรธปลานี่มาไม่รู้เป็นวันๆหรือเปล่าแต่่าได้เขียนความรู้สึกตามภาษาเด็กไงหมายถึาว่าเขียนผิดๆถูกบ้างเพราะเครื่องอดูบานศาลแต่พอเขียนแล้วก็โยนกระดาษลงไปในโถส้วมนี่ มนรู้สึกดีขึ้นเลยเือนกว่าได้ปล่อยได้วางนะให้ความโกรธคือคนเราเนี่ยนะเวลาเรากินขยะกินกินของกินน้ำเช่นนมกล่องหรือน้ำเปล่าพอกินเสร็จเนี่ย ไปกล่องเปล่าเนี่ยหรือขวดเปล่าเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็อยากจะทิ้งเลยนะอยากจะทิ้งทันทีเลยแต่บางคนก็ทิ้งทันทีเยทิ้งลงข้างทางทิ้งลงถนนมันไม่อยากจะถือเอาไว้เลยนะสิ่งที่เป็นขยะในมือเนี่ยแต่แปลนะัไอขยะในใจเนี่ยใจเราเนี่ยมันถือมันยึดเหนียวแน่นมากเลย มันจะเป็นความโกรธความเกลียดความเครียดความวิตกความรู้สึกผิดความเศร้าให้กายเรานลาชนะเวลามันถือขยะอะไรเนี่ยมันไม่ได้ถือนานเลยแม้จะเป็นถุงพลาสติกหรือเศษกระดาษถ้าทิ้งได้มันทิ้งเลยแต่ว่าใจของเราเนี่นะ ไอ้สิ่งที่เป็นอารมณ์ขยะนี่กลับห่วงกลับแผนไม่ยอมทิ้งง่ายๆแต่ถ้าเกิดว่ามันมีตัวช่วยนะมันก็ทำให้เราสามารถจะทิ้งอารมณ์ที่เป็นขยะออกไปจากใจได้ ในห้องปลดทุกเนี่ยนะที่ออสินกทมเนี่ยมันก็เป็นตัวช่วยอย่างหนึ่งนะให้คนหลายคนเนี่ยได้ปลดหรือปล่อยความทุกข์ก็คืออารมณ์อกุศลเนี่ยออกไปจากใจบางทีมันก็ไม่ได้ยุ่งยากซับซ้อนอะไรนะขอเพียงนะว่าคนเราเนี่ยหนึ่งนะ รับรู้ความรู้สึกที่เกิดขึ้ น, นสองอยากจะระบายถ่ายเทออกมาด้วยข้อเขียนหรือคำพูดและสามมีอะไรบางอย่างที่ทำให้รู้สึกว่าได้จัดการกับสิ่งเหล่านั้นแม้มันจะเป็นแค่สั ญ, ญลักษณ์ได้มีคุณยายคนหนึ่งนะเล่าว่าตอนสาวๆเนี่ย แต่งงานใหม่ๆเนี่ยทำอาหารทำครัวให้สามีแล้วก็แม่ของสามีเนี่ยเมนูโปรดอย่างนึงนะของที่บ้านเนี่ยก็คือปูต้มปูนึ่งแล้วคุณยายท่านนี้ตอนเยี่ยงสาวเนี่ยเธอทำหน้าที่ที่ต้องจัดการกับปูเหล่านี่ปูเนี่ยต้องเอาปูเป็นๆมา แล้วก็มาต้มในน้ำร้อนเดือดๆก็รู้สึกว่าตอนนั้นก็ไม่รู้สึกอะไรนะแต่พอทำเป็นนานๆบ่อยๆนี่ก็รู้สึกรู้สึกผิดนะที่ไปทำให้ปู่มันตายตายทั้งเป็นเลยนะก็มีความทุกข์มีความรู้สึกผิดนะที่ฆ่าปู่จำนวนไม่น้อยเลย ยึงตอนหลังมาสนใจพุทธศาสนาเนี่ยก็ยงรู้สึกแย่นะที่ตัวเองเนี่ยทำร้ายปู่ถึงตา ย, นยขนาดนั้นไอ้ความสึกผิดเนี่ยนะก็ได้บีบคัามติดใจมานานทีเดียวก็พยายามที่จะทำหลายๆหลายๆอย่างนะทำทุกวิธีนะกริดบุญกุศลให้กับปูนะ ทำบุญถวายสังฆทานก็อุทิศบุญกุศลให้กรวดน้ำให้แต่ก็ไม่ได้ช่วยมากเท่าไหร่ถ้าแกกลัวนะวพอถึงเวลาตายเนี่ยเกิดจิตสุดท้ายเนี่ยนะหรือจิตใกล้ๆสุดท้ายเนี่ยมันนึกถึงปูเหล่านี้เนี่ยเกิดความรู้สึกเศร้าหมองคงจะตายไม่ดีแน่เลยเพราะว่าจิต สุดท้ายถ้าเป็น อ, อกุศล น, นี่มันก็พาไปอภัยได้ก็เลยมาปรึกษานะหมาก็เลยให้ทําพิธีบังสุกุลซะเลยไม่ใช่พิธีบังสุกุลพิธีบินธบาศเพื่อตอนนั้นมีหลายคนกนะ็ให้แต่ละคนเนี่ยเขียนถึงความรู้สึกหรือการกระทําหรือเหตุการณ์ต่างๆที่รู้สึกผิดอาจจะรวมถึงความโกรธควนพยาบาทนะ ความรู้สึกอะไรที่มันรบกวนจิตใจเนี่ยเขียนเนะดี๋ยเพราะเป็นความรู้สึกที่อยากจะปลดเปลื้องออกไปจากใจเขียนใส่กระดาษพูนยายเท่านี้ก็เขียนนี่ยให้ความรู้สึกผิดที่ไปท่าปูเขียนใส่กระดาษนะแล้วก็มามาใส่บาตรนะเพราะนี่คือเป็นพิธีนะบินทบาตนะขอบินฑบาต ก็มีหลาละคนก็เขียนกันมาคนละแผ่นสองแผ่นเอามาใส่บาตรเสร็จแล้วก็แล้ก็ทำพิธีเผาซะเลยนะเผาแล้วก็สวดมนต์ไปด้วยนะพรกว่าคุณยายบอกว่ามันช่วยดีเยอะเลยนะไอความรู้สึกผิดเนี่ยที่มันติดค้างใจมาหลายสิบปีเลยนะว่ามันทุเลบาเบกบางไปเยอะเลย ถึงตอนนี้เวลาฝันนี่ก็ไม่ได้ฝันถึงโปูแล้วปลดเปื้องไปได้เพราะเหมือนกับว่าได้ชำระล่ามันออกไปจากใจอันนี้ก็คล้ายกับน้องอัพน้องอัพเนีออ่ย พ, พ, พอเขียนความรู้สึกที่โกรธปลาเนี่ยลงใส่กระดาษแล้วก็โยนไปในโถชักโครกเนี่ยโถส้วมเนี่ย มันมันก็สูงว่าเบาลงเลยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะคนเราเวลามีความทุกเนี่ยถ้าเาว่าเราจัดการกับมันดีๆเนี่ยมันก็สามารถที่จะปลดเพื่อไปจากใจได้แต่มันต้องเริ่มต้นจากการที่ยอมรับนะยอมรับรับรู้ถึงความรู้สึกนั้นแล้วก็พอระบายมันออกมาหรือแสดงมันออกมาด้วยคําพูดหรือข้อเขียนเนี่ย มันก็ช่วยในการถ่ายเทความรู้สึกนี้ออกไปได้ง่ายขึ้นและบางทีมันไม่ใช่แค่คาพูดหรือข้อเขียนนะการกระทำบางอย่างนี้ก็ช่วยได้นะที่โกเบประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเมื่อแล้วยสกว่าปีก่อนมันมีแผ่นดินไหวหนักมากเลยในญี่ปุ่นนี่มันก็เป็นดินแด น, นที่มีแผ่นดินไหวเกิดขึ้ น, นประจา แผ่นดิหนหวที่โกเบคราวนั้นเ น, เนี่ยก็เกิดความเสียหายมากคุณป้าคนหนึ่งเนี่ยแกสูญเสียหมดเลยนะทั้งบ้านทั้งทรัพย์สินและที่สำคัญคือสามีและลูกแม้ว่าจะกลับมาตั้งตัวใหม่ได้นะแต่ก็ยัง ยังเศร้าโศกเสียใจไม่หายที่สามีแล้วก็ลูกจากไปรวนทั้งทรัพย์สินต่างๆอยู่ผ่านไปเป็นสิบปีนะในความเศร้าโศกเสียใจก็ก็ยังรบกวนจิตใจคุนป้าอยู่เดยา ก, ก็รู้ว่ามันทุกข์นะแต่ว่าไม่รู้จะคลี่คลายความ ทุกนี้อย่างไรวันนึงได้ข่าวว่าที่เกียวโตเนี่ยมันมีวัดหนึ่งนะอยู่บนหน้าผาอยู่บนเขาเนี่ยแล้ววันนี้ก็มีหน้าผาอยู่ที่วันนี้ก็จะมีพิธีสะดาะเคราะห์นะถ้าเรียกแบบภาษาบ้านเราสะดอกเคราะห์คือใครที่มีเคราะห์เช่นโรคภัยไข้เจ็บ หรือว่ามีอุปสรรคอะไรก็ตามเนี่ยจะไปที่วัดเนี่ยในวิธีสะดอกคล้อคือว่าเขียนสิ่งที่อยากจะให้มันหายไปจากชีวิตเนี่ยเขียนใส่จานเป็นจานดินเผาแล้วก็ไปโยนลงหน้าผ า, บ า, นนะา บ, บางคนก็เขียนถึงความเจ็บป่วยบางคนก็เขียนถึง อุปสรรคความล้มเหลวต่างๆก็เลยแต่เป็นสิ่งที่แย่ๆที่อยากจะผลักมันออกไปจากชีวิตแต่คุณเป้าเนี่ยสิ่งที่กาเขียนในจานนี้คือ 1. บ้านนะเขียนข้อความว่าบ้านเนี่ยลงในจานนั้น 2. รถยนต์3ชื่อสามี 4. ชื่อลูก ซึ่งเป็นสิ่งที่สร้างความอล า, ายอาวอร์ให้กับคุณป้านคนนี้มากแล้วแกก็ไปที่หน้าพายเนี่ยนะแล้วก็ก่อนที่จะโยนจานแต่ละใบเนะี่ยแกก็พูดขึ้นมานะพูดทีแรกก็พูดถึงบ้านก่อนนะขอบคุณบ้านนะที่ให้ฉันพักอาศัยมาอย่างอบอุ่นสดกสบาย ตอนนี้ได้เวลาที่เจ้าจะต้องไปจากเชื้อเชลลหละแล้วก็โยนลงไปหน้าผากลับรถโยนก็ทำเหมือนกันนะทรัพย์สินที่สำคัญงมาก็ทำอย่างนั้นเหมือนกันพอถึงสามีนะก็ก็พูดนะว่าเนี่ยขอบคุณสามีนะที่ได้มาร่วมชีวิตกันมาสามสิบสี่สิบปี ตอนนี้ก็ได้เวลาที่คุณจะต้องไปจากชัดแล้วล่วะก็โยนจานที่เขียนชื่อสา ม, มีลงไปลงบนหน้าผากับลูกก็เหมือนกันนะบอกว่าลูกนี่ยแม่รักลูกมากนะแม่อ ย, อยากอยู่กับลูกนานๆแต่ตอนนี้ได้เวลาที่ลูกจะต้องไปแล้วะพูดจบก็โยนจานที่เขียนชื่อลูกลงไปบอกว่าหลังจากนั้นนะแกรู้สึกดีขึ้นเลยนะ มันเหมือนกับ่าความทุกข์ความโศกที่แดกไว้ในใจนี่มันเรียกว่ากดเปื้อนออกไปนับจากเหตุการณ์นั้นมันไปพร้อมๆกับจานที่เหวี่ยงลงไปในหน้าผาลงไปในหน้าผาอันนี้ก็คล้ายๆกับสองกรณีแรกนะคือว่าใจมันก็อยากจะ ปวดอย า, ากจะเปื้องนะแต่ว่ามันไม่ยอมไปสักทีแต่พอมีพิธีกรรมบางอย่างหรือมีกิจกรรมอะไรบางอย่างที่เป็นสั ญ, ญลักษณ์ที่ทำให้ที่ช่วยให้ปลดเปื้องความรู้สึกเหล่านั้นออกไปจากใจได้บางทีคนเราก็ต้องการสิ่งนี้นะสิ่งที่จะเป็นตัวช่วยให้ปลดเปื้องความรู้สึก ที่มันรบกวนหรือลองความจิตใจได้ไม่ว่าจะเป็นความโกรธความรู้สึกผิดหรือว่าความโศกเศร้าอะไรเอาวอนแต่ทั้งหมดเนี่ยมันต้องอาศัยนะสติและความรู้สึกตัวเนี่ยเป็นเบื้องต้นเลยคือยอมรับคือเห็นความรู้สึกแล้วยอมรับความรู้สึกนั้นได้ แต่บางครั้งคนเราก็ไม่เคยยอมแลวความรู้สึกนั้นเพราะสติยังไม่แข็งแรงในการที่ขีดเขียนในความรู้สึกนั้นเนี่ยใส่กระดาษหรือทำอะไรบางอย่างที่เป็นพิจิกรรมเนี่ยมันก็ช่วยทำให้สามารถระบายถ่ายเทความรู้สึกนั้นออกไปจากใจได้ในระดับหนึ่งแล้วยิ่งถ้ามีสั ญ, ญลักษณ์อะไรบางอย่างนะที่ทำให้รู้สึกว่า ปัดเปลื้องมันออกไปจากใจได้หรือว่ากําจัดมันออกไปจากชีวิตได้เนี่ยมันก็ยิ่งช่วยค่ยเข้าไปใหญ่ไม่ว่าจะเป็นการทิ้งลงลงถั่วส้วมทิ้งกระดาษลงถั่วส้วมหรือว่าหย่อนกระดาษลงในบาท ก, ก่อนที่จะเผาหรือว่าเขียลงไปในจานก่อนที่จะโยลงไปในเหว ถ้าคนเราเนี่ยต้องการตัวช่วยนะอันนี้พูดถึงคนทั่วไปแต่ว่าถ้าว่าเรามีสติดีน ะ, ะมันก็สามารถที่จะปลดเปื้องความรู้สึกงอกไปจากใจได้ง่ายขึ้นถ้าเกิดว่าเรามีสติมากพอที่จะรับรู้ความรู้สึกด้วยอาการรู้สื่อๆเพราะส่วนใหญ่พอรู้แล้วเนี่ยมัน ม, มันไม่ค่อยรู้สื่อๆเท่าไหร่มันจะพยายาม กดคมผักใสเช่นความโกรธหรือพยายามลืมเช่นความรู้สุดผิดความโศกเศร้าอาลารวานก็อยากจะกดมันเอาไว้เพราะมันรบก ว, วนจนนอนไม่หลับแต่ยิ่งทำเช่นนั้นเนี่ยมันก็ยิ่งมีกำลังเหนือจิตเหนือใจของเรามากขึ้น นะถ้าผุ้ดูชนคนทั่วไปเนี่ยมันต้องมีตัวช่วยที่จะทำให้มั่นใจหรือทำให้รู้สึกว่าจบการสักทีออกไปจากใจชั้นสะักทีนั้นพิธีกรรมนะจึงมนะีส่วนสำคัญแต่สาหรับคนสมัยใหม่นะบางทีพิธีกรรมอาจจะไม่เคยได้สื่อเท่าไหร่แถนที่จะเป็นบาทนะเพื่อขอบิณฑ บ, บาตนะสาราบคนรุ่นใหม่ การโยนทิ้งโถส่วมเนี่อาจจะให้ความรู้สึกที่ดีกว่าก็ได้อันนี้ก็ให้เรารู้ว่าเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเรามีวิธีที่จะจัดการกับอารมณ์ความรู้สึกได้ถ้าว่าเราเข้าใจมันหรือถ้าว่ามีตัวช่วยที่จะทําให้เราเนี่ยสามารถจะปล่อยมันออกไปจากใจได้ แต่ถ้าเราฝึกให้เราฝึกสติคือความสึกตัวเสมอนะเราก็ไม่ต้องรอให้มันอารมณ์มันท่วมทน้นจนยากที่จะจัดการเพราะถ้าเรามีสติไว้เนี่ยเพียงแค่มันมีอารมณ์เกิดขึ้นเป็นประกายหรือยังไม่โตเท่าไหร่เนี่ยเราก็จะรู้ทันแล้วก็วางมันลงได้ง่ายส่วนใหญ่เนี่ยไม่รู้ทันปล่อยให้มันลุกลามเช่นความกลัวเนี่ยมันก็ จากความมกกลารเป็นความโกรธเหมือนกับประกายไฟที่มันกลายเป็นเพลิงที่เผาไหม้ป่าตอนนี้ดับยากแล้วาเผือเอาไว้นะรู้ทันอารณ์ความรู้สึกโดยเพราะคนทุกวันนี้มันมีความเหนื่อยความท้อมันมีความเครียดสูงมากจากการทา ง, งานจนปล่อยให้ความรู้สึกนั้น่มันทำลายจิตใจบั่นทอนร่างกาย ันถ้าเกิดว่าเราหันกลับมามองใจอยู่เสมอเนี่ยในทุกโอกาสนะมันก็จะช่วยทำให้เราสามารถปลดต้องความรู้สึกที่เป็นลรออกไปจากใจได้ง่ายขึ้นและนั้นที่เขาทำสติสเปซเนี่ยนะมันกเน็เป็นโครงการที่นานุมโมทนนานะใครที่ไม่ได้ใครที่สะดวกนะก็น่าจะหาโอกาสนะไปชมยนต์การนี้แล้วมาลองใช้กับ ช่วยประจำของตัวเองบ้าง